พระธรรมเตสนามโหสถจาดกจอมปราแห่งวิธีลาภุกติห้าฟังแล้วเกิดพญาปัญญาปรใหิชลาดเรียบเรียงใหม่จากต้นฉบับพื้นเมืองโดยปออินสมชัยชมพูรป ร, รียธรรมุกเปรียกนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเจียงยฮนม้ม ตุทธะสาวกาวตออาตอสัมมาสัมพุทธะตาตอปารังราชปาจินันยวมันจักกามวาสีนังสาสา낭เเสีตี สาธวดุราสปุริาตั้งลายตั้งยิงาจใหญ่หน่อยใจไฝ่ห้อยตั้งบุญอันจากหนุนสงยู่ฮือได้อยู่สดสกินจะมีน้อยใหญ่วางละไว้จูพาคการแป้งใจบ้านพ่องพล้อ มาสู่ขวงแก้วอารามลำดับตามหนุ่มเทานั่งอยู่เฝ้าฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทคอบาลหีวาตตโตปรังราจาดังนี้เป็นตนบัดนี้แดเตือ ต่อปารังทัดนั้นไปบ่จ้าตนเจ้าฟ้าหอใจส่งข่าวไปแถมไหม่ว่าตนเต้าไทยราช า, า, า, า, าพาธนาไข่อาบในตาราบบครณีนำใส่ดีดังแก้วพอดูแล้วหันสาย ดอกบัวลายหาสิ่งกันถ้าหญิงหอมไก่เฮส่งไปถ า, าวายเต้าตนภาพดาวปุรีกันหาบอกคารณีบ่ได้เฮสู่ใจสิ้นหม่คือข้าใส่ก้ามากฟันหนึ่งหากเป็นไม้ คนยิงใจหนุ่มเทาบ่อเก้าขีญน้าก่อไขจากเก่าเฮเจ้าหูจูพาการมาหโหสถกุ ม, มารบุญใหญ่หน่อพระติวัยตะสาปนก่อเรียกคนผู้จาลาดหูอาภิวาททุนสาสามสี่คนมาเก่าจีือแจ้งขีอุบาย ว่าสู่ตั้งหลายมวนหมู่จุงไปสู่บอกระนีเสื้อผ้าดีอย่ากแก่ลงไปแจวางใส่พื้นขั้วใบเปียนำไขเสียงซ้ำกาญ้าเอาเปลือกตมตาหลบหนาตั้งเสื้อผ้าไผมันพ่องกำพันเจือกใหญ่พ่องกำต้นไม้หินผา แน่อกไก่กะรีพาวเข้าสู่ดาวเวียงใจรีบขึ้นไปไว้เต้าตนภาพดาวห่อจันกันเต้าหันสู่เจ้าจักถามเก้าขีญ้าว่าสันได้จ้าเพีย่น้ำไข่เสียงซ้ำอินทีเปือกตรงมมีแปดนา ตังเสือพาขัวาทารงสู่มาจากดงเถือนทองหรือมาจากคองเมืองในเป็นสันใดถือคอนกับตังกรหินพาเจือคึกษาเส้นใหญ่นำมาไขติดตัวกันเจ้าเหนือหัววิเตหราชเจ้าภาศาเจียงคาน มีองค์การดังนี้หื้อสุจีทุนสาวาตามดังมหาราชเ จ, จ้าตนเป็นเก้าปุรีอาจยามีปงใสแก่ข้าบาทไทยตั้งหลายตั้งยิ่งใจจุทานอันอยู่ในบ้านป่าจินยาวมัดจะกามหื้อหลากสาะระงามใหญ่กว้างมาถวายเจ้าจ้างเนื้อหัว ปันดังตัวผู้ขารีบเข้าสุภาดงรีหันโบคารณีวยยวกว้างใหญ่กวนแก่เต้าไทายจำควันจริงปากันจักลากออกมาจากดงดอน ดารอดนากนแต่ใสโบคารณีใหญ่ดงตันมันได้หันภาษาใส่วาวาตตตาหันโยธาหอกดาบเปลือมมามาเป็นสายมันกวัวตายความนาจริงเล่นกว่าขึ้นหลังเจือกมัดกังขาดโย่แม่นจักต่อยบุติีมันก็นีบออยู่ บอกไปสู่แดนมันขอเจ้าหอจันยดใหญ่จุงแต่งใจโบครณีอันงามดีใหญ่กว้างที่จิมข้างหอคำ โอ้ดงดำเถื่อนทองก้อยน่านองชวนมาหยามนันนำตันเต้าจักตานเก่าวจอมสู่ว่าโบครณีกูนิ่ใสจักใจได้ใจได้สันใดคงบ่มีใจขาแข็งพิษปิมแปงทำมาดาสู่จุงทุนสาตานเก่าวว่ากันตนเต้าผู้มี ใจบอกคารณีบ ok no ok no so um ่ได้ค่าบาดใหยตั้งลายตั้งยิงใจน้อยใหญ่ก่อลากบอกคารณีมาบ่ได้เสมอกันหนอขุนทันยอดซอยไข่เกาทอยอุบายฮือจุ้มใจแก่นใจได้หูไขจู่อันอันเขาก่อปะกันกาภาก ออกไปจากเขื่อนตนรีบเตี่หตตวห่นไตเต้าเงี้ยตามกำเจ้าจูภาารเต้าผู้บ้านวิเตหราชหูแจ้งขวาดขี่ยาอน่อพุทธบุญกวางใดแต่งสร้างอุบายปีติลายเดือดแสระแผ่อินทีเกาะมีฮันแลนา นั่นไปบอเจ้าตนเจ้าฝ้าหัวใจก็ส่งปันหาไปแถมเล่าหวังสู่เจ้าตั้งหลายใดคงควายก็สร้างยังส่วนกว้างอุญญาตมีดอกบานจูสิ่งกันถ้าหญิงเอาใจตนไม่ได้มีลูกก่อปลูกหลวงหลายแล้วนําไปถ้าวัยกูเต้า ตนภาพดาวหอคำกันย่าตามกำบ่ได้จุงหื้อใจสิ้นใหม่คือคำใส่กามากปันหนึ่งหากเป็นทราคนนำนาด้อยใหญ่บ่ไ ว, ว้หันใสจริงจะไข่บอกเล่าหืาาา้อแก่เจ้าบุญมีหนอมูนีน้อยหนาจบฉะลาดอุบาย จิงคือใจแก่นใจผู้อยู่ไกลเตรียมตนสามสี่คนไหวหว่องออกจากห้องเกหาไปทุนสาเต้าไทยดังก่าวไววไปหลังเต้าได้ฟังเข้าเก่ า, าใจจืนเห่ายเจยบ้านจริงถามเสนากกะอาจารย์แถมเล่าว่ากวนนำเจ้าบุญมีผู้จบดีฉลาด เมื่อโยภาษาถ่อคำหรือบอกควร น, นำเมื่อโยจุงเกอาตามไรมันก่อทวายกลมเกาว่าขอเต้าเจ้ารอไปควรอดใจถ้าพอสืบติดต่อเบิดนานกันมันทุนสารเบียนแล้วเต้าตนแก้ววิเทหราา ลวดบ่อจากเกาอเต่าดักอย <c oughs> ู่คันหนิงในก็มีหันแลนาโสราชันว่าพญายศใหญ่คันหนิงไข่ไปมาว่าเจ้ามโหสถนั้นนาองอาจ จบชาลาดเดือดลายไผ่บ้าไม้เพียบได้พับแผ่นไตโลกาแก้ปัญหาจู่สิ่งใดแจ้งหญิงจู่อันอันแกเร็วปั่นแต่เหล่าดังพัญญาเจ้าสับปัญญูเปลงใจกู้ลายหลากกู้ออกปากจะทำลำดับามแต่เก่า สึงนักพาดเก้าเซนาคาอาจารย์บรรกทุนสารตานกล่าวว่าบอกกวนรีฮานนำมาํำมันจากล่าวจีบบอแจ้งทีหันใส่กวนกูไปอย่าจานํำเจ้านอลากุมมา ผู้จนานฉลาดมาอยู่ภาษาหอคำบอกกวนไข่ํำบอกเล่านักผาดเก่าเดิม อ, อ <c oughs> ่อนตาโอภูทอนเกิดแล้วก่อป้าผัวแก้วคนหานเป็นปริวานมวลมากออกไปจากเพียงใจตนจอมไตเจ้าฝ้าขึ้นขี่มาอัสดร จากนาโกนรีพาวเปื่อไปสู่ดาวปาจินเยาวมัดจะก้ามลำดับตามตั้งใจอันคนหน่อยใหญ่ไปมายามนันหน้าหากแล้งดินแตกแห้งเป็นสายมาพันพายไวว่องลวดลมจ่องหูดินขามาเจียงจินหักก้นบว อ, อาอปแล่นลุ่นเร็วปัน เจ้าหอจันหันเหตุินสังเวทคุณนาจริงนำโยธามวนหม่ปอกขึ้นสูเวียงใจเสจนา ก, กะไวรีเผาไปไ ว, ว้เต้าภูบาล <c oughs> ถ้ามาการทวนทีเต้าเกาจี้ตามรอยมันรีบถายกลมเกาว่าตัวข้าเท้าอาจารย์ โดยทุ่นสานขับไปห้ามเต้าไทยหลายหนว่าบอกกวรน้าตนเด็กห่อนมาอยู่บนหัวใจย้อนหันใสแจ้งเจตว่าจักมีเหตุตัวมาบัดนี้นาตันเต้าออกจากดาวนาคอนมาอัซาดอนมิงแก้วขาหันแล้วขึ้นมา กับตาแจ้งที่บอมีตีสงสัยเจ้าห่อใจยอดซอยบ่ต่อท้อยกำมันย้อนใจพันกุดรอดถึงเจ้าน้อยยอดบุญมี แสงไข่กำดีถามเล่าว่าดูราเจ้าอาจารย์ควรนำกุมารผู้ฉลาดมาอยู่ภาสัยยำไ้ตั้นจุงไข่เ่าวจี่ืฮแจ้งที่ตามรายมันก่อเทววายกรมเก่าว่าแม่นเต่าเจ้าผู้บ้านจักนำกุมารน้อยอ่อนมาอยู่บอนหอใจจักมาไวจ้า แล้วแต่เจ้าฟ้าหันดีเต่ว่าเจ้าปุรีทิราชบอกควรนำอามา์โยธาจากพางกาไปสู่ถึงที่อยู่เฮือนมัน <c oughs> ควรวางปันปงขาดหืออามา์เตรียมใจนำราช จ, จะสานไปบอกกล่าวถึงด่านดาวเฮือนมันอย่าใครปันแจ้งที ก่าวลับลี่เป็นปัญหาแม็นมันมีผาญาแต่ใส่เตียงหูไข่ราด จ, จะสารวาดูราบาโหสถกุ ม, มานน้อยนาดหัวฉลาดนำนาในวันว่าเราภากออกมาจากนครมาอัดสะดอนขาฮาลวดบอรอดบ้านป่าจินญวมัจจกาม จุงเอามางามเลิศแล้วคือมาแก้วอัสดรไปาวายผู้ทอนตานเต้าตนภาพดาวปารากันว่าหาบ่อใดจุงน้ำมาคุณใหญ่เลือลนไหลงามพันภายบ่อจ้าดีกว่ามาอัสดรไปทวายผู้ทอนเต้าไทยเฮอสมไฟกิตนา แต่งปัญหาดังนี้กันมันแจ้งทีหันใสจักมาไว้รอดสู่ถึงตีอยู่หอจันกันตัวมันนั่นใสมาบ่อใดสันใดมันจักไขต้านต่อบอกหือปอมันมาบ่อยาจันเลยนะา ตองสุดตว่าราชาอันว่าพาญาวิเตหาราชฟังเสนาการนักผาทุนสานมีใจบานเจรนยาวเนี่ยตามมันก่าจูภาการก็มีฮันเลนา โสโปทิสัตโตส่วนโปธิสัตตนบุญกว้างรับสารเจ้าจังผู้บ้านอันราชจะสารเมียนไขก่อหูได้บัดเดียว จิงจะาเลียวตันตอบอกแก่ปอเศรษฐีว่าบัดนี้เจ้าปุรียอดเา่าตนภาพดาวหอดจันยินไขรหันไขรพอยังลูกและปอสองราปอจุงดาตกแต่งตามปิมแปงโบราณยังปั่นนาการรีพาวเผืือทถวายเต้าหอดใจเอปอไปก่อนนาะ วัวแห่งคาจอมลังป่อขึ้นไปยังภาสาถึงห้องราตรงกันเต่าเล่งหันยังป่อจากตานตอวัตีว่ดดุราเศรษฐีผู้ใหญ่เรามักไฟเล่งหันตันมาปันแต่เจ้าต่อหน้าเจ้าปุรีอาสนามีลายลากัก ตามใจหากพระทรงจุงนั่งลงตามไฟในตีไก่เรารากันเต้าจ่าดังอีหื้อสั้นทีปิดจรณาแล้วนั่งเดือดสะดาญาจ่าตามเจ้าฟ้าปงปันกันป่อจอมควันนั่งแล้วคาลูกแก้วตัวไปเจ้าห่อใจหยดเงาจากตานเก่าสันเดียว อาจะเกลียวแลพอนั้งตนป่อจอมควันป่อจุงปันลาภาคลุกเสียจากอาชนะข้าบุตตาหน่อยนอจักนั่งแต้นป่อใสใจปัญหาใดลับลีกอจักแจ้งที่สุดปลายเจ้าบุญภายเก่าอู้ป่อูสัญญา เพื่อคมพาญานักผาดผู้ฉลาดเดิมอ้อนหื้อเต้าผู้ทอนยศใหญ่ห <tr> ูแจ้งไขตามมีอันว่าเสรษธีพ่อเจ้าหูเงินเก้าขี้าตามบุตาเก่าหื้อได้หูความในก่อเร็วไว้แต่งไว้ยังเครื่องใจปั่นนาการเพื่อทวายผู้บ้านตั้นเต้า ตนภาพดาวปุรีแล้วนำเอาอนุเสธทีหลาหลากปันหนึ่งหากเป็นไมายรีบพันภายไว้ว่องเข้าสู่ห้องเวียงใจกันขึ้นไปรอดแล้วบนภาสาัดแก้วโรงกันเจ้าหอาจันวิเตหาราชก็โอกาสกำดีว่าดูราเสธทีผู้ใหญ่ ตั้นมาไกลกองตาอันว่าาสนาตีนั่งเข่าหากตั้งใหญ่ใหญ่จุ่ตามใจมักไฟนั่งลงใดดีดี สิริวัฒานาเศรษฐีบุญกว้างฟังเจ้าจ้างใครจากอพิจารณาสั้นทีพออาสนาตีเพืองควรแล้วก่อจวนเจ้าหมูนั่งลงอยู่ตามกรรมแลยนะ สูโปธิสัตโตอันวาโปธิสัตตนองค์อาจจบชาลาดเหลือคนก่ป่าปริวานตนมวลมากนับแล้วหากปอปันย่อมเกิดรวมบรรทันบาทกับเจ้าน้อยนาดบุญมีขี่รถดีเล่มใหญ่กันไปรอดไกลเวียงใจเจ้าใส่ใจน้อยหนอ ลิงตาพอไปมาหันปอละตัวหนึ่งใส่ยอยู่ตีไกกองตังเจ้าบุนขวางดอกแก้วก่อเฮยยับแล้วนำมาเอาศาสตร์กาลาปันไว้มัดขาดไว้ดีงามแล้วเฮอหำรีพาวเข้าสู่ดาวเวียงใจคนไปในมวลหมู่กันได้หูขี่า ไหลกันมามากเต้าตั้งหนุ่มเทาหนิงใจจุกยืนย้ายถ้าพอกันหันนอมูนีก็ไขาวาตีออกปากว่ามโหสดหากดู ง, งามพงธารามขึ้นใหญ่จบเสียงไข่นำนางามเกิดมานั่นใสเอายาคุณใหญ่ตวยมา แก้ปัญหาละปลีด่ดแจ้งที่จู่อันอันเขาปะกันต่อทอยมีบ่โนยไหลยพะ ก, การหนโปทิญานกินกู้กับตั้งหมูสหายก็พันพายใหญ่บาดขึ้นผาศาสตรองการแล้วอภิวันกมเกา่า ไว้เต้าเจ้าปุรีพระภูมีวิเทหราชสัตตสวาดเล่งหันมีใจมันจื่นจ้นจอยจริงก่าวถอยกำงาม <c oughs> ว่าตนใจรามน้อยนอจุงเลือกพออ า, านาตามผาธานามักไยนั่งลงใดตามใจเจ้าและไปพอเหล่า ยังป่อเจ้าพิตาตามสัญญาบอกไว้หื้อไขความในเศษที่ไว้กาผาาลุกเสียจากอาสนาคนหันกับตาแจ้งที่เจ้าไปนั่งแตนตีบัดิดวและนาในกาละนันเหล่านักงผ่เก่าตั้งหลายสี่คนหมายว่าไว้ มีเสนยากาผู้ใหญ่เป็นผาทานตั้งโยธาหารอามาตย์พรห ม, มานาจตาิเศรษฐีกาบดีมวลหมู่พร้อมน่าอยู่โรงกันก่อปะกันยอดใหญ่ตบมือใส่นินตาวาสันได้จานักพาดผู้ฉาลาดเจบทองปอยบ่หูกองแบบเบานั่งเต้นติเก่าปิตา พิรรมดาแต่โสดเป็นคนโหดจังไรเป็นสันไดตันเต้าตนภาพดาวปาราไขนำมาอยู่ไกลเลี้ยงเอาไว้เป็นคุณปังปายลุนเป่าจอยเป็นคนตำต้อยดีๆพระผู้มีวิเตหราชเจ้าภาษศาสพังกา ฟังเขาจาซาเศร้าลวดานยาวเสียสีใจบอดีลายหลากบ่อจ้างปากไขรจานนอพุทธาน้อยนาดก่อขาดบัดเดียวจริงรีเพรีก้มเก่าว่าคาแดเต้าเจ้าปราสันได้จาเต้าไทยใจหมัดไม่เึื่องขี เจ้าปุริตันตอว่าดุราเจ้าหนอขุมมานคนจากคานบอกเล่าว่าตัวแห่งเจ้ามีพัญญาเราหันกับตาแต่กี่บ่เป็นตีเพิงใจบ่ใจวิสัยนักพาดผู้ฉลาดเหลือคนหนอตะสะพนหยัดซอยจริงต่อท้อยวาตี ข้าเนี้บอดีสั่งเล่าบอเปิงใจเต้าเจ้าผู้บ้านเต้าก็มีราชองค์การตัานต่อว่านั่งเต้นตีพ่อพิตาพิทังบาดาแต่ใสเราจริงมรหมัดไมเครื่องขี่อมูนี้ต่อถอยว่าข้าแดเต้าโอนยอดซอยเดือหัวปั้นดังตัวเต้าไทย โอแจ้งไขบ่สังกาวาปอพี่ตาดันเล่าผาเสดกว่าลูกเตายิงใจกำนี่ไม้เป็นแกนหรือบอ่แม่นสันใดเจ้าหอใจเ่าวจี้ว่าบ่มีตีสังกาวาปอพี่ตาดันเล่าผาเสดกว่าลูกเตาจู่คน นอตาสะพนน้อมไหวว่าขาแด่าไทายผู้บ้านเต่ามีราชสัน ร, รีเผาไปรอ ด, ดาวปาจินยะวามัชฉกรรมว่าหือหามมางามเลิศแล้วคือมาแก้วอัสดรมาทวายผู้ทอนตันเต้าตนภาพดาวปารา กันว่าหาบ่อใดจุงนำมาใหญ่คุณลายน้ำพันภายบ่อจ้าผาเสือกว่ามาอัสจดอนมาทวายฟูทอนเต่าไทยเฮือสมไฟกิตานากันทุนสาเบียนแล้วเจ้านกแก้วบุญภายก็อฮือสะหายแว่นใจ ผู้อยู่ไกลกองตาหำปอลามาบ่จ้าวางต่อนาบัดเดียวแล้วจะเลวต่อถอยว่าข้าแต่เต้าหยดซอยภูมีลาตัวดีนี่ลาโอมีกาเต้าได้จ้าเจ้าปราหยดเาวก่อตานเกาว่าตีว่ากามันมีบ่มาก แปดกกะหาปะนาหาเป็นไมายย้อนกุนบ่าลายมากวังเก้าใจใส่ต่างไปมาเจ้าก็จะทาเราว่าค่าแด่เจ้าราจาอันวาลาทวน้านย่อมเป็นป่อมาอาัดดอนพระผู้ทอนยศใหญ่กดกาไว้สันไดเจ้าห่อใจก่าวแกว่านับ บอกแ่ดีดีคุณมันมีมากกว่างบ่ออา้างกฎหมายเจ้าก็อท้าวายขับไวา้ว่ากันเต่าไทยบ่อสังกาว่าพ่อพิตานั้นเหล่า ภาเสดกว่าลกเต้าจูคนค้นขอเต้าตนบุญใหญ่เอาลานิไว้ผังกายอนวาลาทวนนาเป็นป่อมาอัศดร <c oughs> กันเต้าภูทรสั้นทีบ่มีตีสังกาว่าบุตตาหน่อยนอพาเสดกว่าป่อยังมีจกักใดมาดีอาจกา คือว่ามาอัสดอน้าแดพระภูทรเจีองเจ้าตนเป็นปินเก่ายิ่งใจนักผาดหลายตั้งสี่บ่อแจ้งทีปัญหามีพระญาหน่อยหน่อยใจเจ้าถอยกานีพระภูมิบุญมากใดมาจากแดนใด เสียปัจจัเขานำวัตถุพัมได้ได้บ่หูอูบายแห่งคาไขหัวต่อ้าบัเดียวต่างจากเลียวยอดใหญ่ตบมือใส่นิ้นตามีแก่นตาดังบอดบอดดันสอดหันไกคาแด่เจ้าหอใจหยดเหยตนภาพดาวปัทวี กันหูดีแจ้งที่บอบีตีสังกาว่าปอพิตานั้นเล่าภาเสดกว่าลูกเต้าจูคนค้นขอเ ต, ต้าตนยศใหญ่เอาปอข้าไว้บัดเนี้ยกันคัดดิ้งเลวเกิดไข้ตั้งแต่ไทยมืนมาว่าบุตตาหน่อยนอผาเสดกว่าปอยังมี หอเจ้าปูรียอดใหญ่จุงเอาข้าวไอ้สะพันคนซุ่มกันมาเต้าก้าอันอยู ay, ่เฝ้าหอในฟังเจ้าไขเกาอู่ต่างจื ban, ่อสูเจยบ้านสาธุการสาเศร้าสนันดาวพังกาผ่องเอาวัฒนาแผ่นผ้าแก่งวัดว่าเป็นสาย สวนนักผาดลายตั้งสีนาะบกีมองใสเหือไขรไหลหยาดย่อยบ่กเกาทอยกำไดก็มีฮันแหลนานะอันว่าคนยิงใจลายแลจกหูคุณพ่อแม่สองขาเต้านอพุทธาน้อยอ่อนก็บ่อนจักมีห่อมูนีบุญใหญ่ ย่อมน้อมไววแย่งยำตั้งสององค์คำพ่อแม่บอเวนแหววันใดเจ้าได้ไขต้านก่าวต่อหน้าเต้าปารา <c oughs> ว่าบุตรน้อยนอพาเสดกว่าป่อยังมีเป็นวาตีข่มแป่ไขเกาแกอุบายเฮือนักผาดลายตั้งสี ได้แจ้งที่หันใส่ว่าเจ้าสายใจน้อยหนาจบชาลาดเหลือคนบ่ใจยกตนข่มป่อเต้าเนี่ยหล่อลองเจิงคือสมเปิงต่อหน้าแห่งเจ้าฟ้าวิเตหราาก็มีวันนั้นและนะ ที่ตังขีญาสังวันนาวิเศษจ้าห้องเหตุมโหสถผูกทวนหาฟางเจ้าฟ้าหอคำเรียกนอคุณทําน้อยอ่อนมาอยู่บนหอใจจักเป็นสันได้ปายดาอดใจทาดาฟังก่อบังกมสม็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนและ